ตะวอรหมมาสัมัสสะนโมตาะวรหมมาสัมปัสสะนโมตักษะวอรหัตต์สมมาสัมปัสสะเมวันที่ส1บเอ็รกาค ความจริงให้เราท่านผู้ยังมีชีวิตทั้งหลายด้ทราบคือสามารถทานเครืงโพของท่า น, านสขขุภัสวรรัด บ, บ้านตามาวันนี้ตรงกับวันที่17ขอบประกาศเรื่องความจริงชึ่นิดไลนหนึ่งคือท่านสินหทอง ถึงทั้งสองนี้เป็นพระวัาปาบ้านปามาดั่งเลยเลยสม บ, บุกสมบันด้วยกันมาตั้งแต่อยู่ในป่าในเขาเยอยมากเนี้ยมาอยู่วัาป่าบ้านปาด้วยกัน mm. ลหลังจากนั้นก็ mm. ได้โชคได้มาอยู่สองแห่งนี้ มีความเกี่ยวข้องกันอยู่มากทั้งด้านพ่อวัดปัจจุบันและทางด้านจิตใจโดยเฉพาะตลอดถึงความเป็นความตายก็มีการเกี่ยวโยงกันด้วยเหตุนี้จึงได้เข้ามาเกี่ยวขอ้องในงานนี้เรื่อความสงบเรียบร้อยเป็นไปตามอัตตามธรรมของพระพุทธศาสนาในวันนี้ได้ ตระราชทานเครืงศกของท่านจินทอ ง, งเลยสสาเร็จซื้อร่วงไปแล้วเราท่านทั้งหลายที่ได้เห็นกระจกตาของตนเองก็คงจะสนหนันกใจได้ดีและทั้งมวลที่อยู่ด้วยกันนเองผู้จะต้องประกาศตนเองเส้นเดียวกันกับผู้ที่ล่รับเลือกเผาศพผ่านไปแล้วนัน เรื่องความตายนิสัตว์โลกกลัวกันมากตลอดถึงดัติสัตวดิเรชานแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันท่านไม่กลัวไม่กล้าเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งสองนี้จึงไม่กระทบกระเทือนพระัยและใจของพระสาวกทันดะเนื่องจากใจเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุนี้ชาวพุทธเรา จึงไม่สนไม่ควรสนใจถึงเรื่องความตายในแบบต่างๆซึ่งเป็นสิ่งธรรมดาที่เคยมีมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมให้ยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีชีวิตอยู่นี้ที่สามารถจะพลิกแพนแปลงแกตักเองไปได้หลายแง่หลา ย, ายมุมส่วนมากก็เป็นส่วนเสียหายเช่นการทำชั่วสร้างสม ความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตนเรียกว่าสั่งสมกรรมสั่งสมสั่งสมกรรมอันไม่ดีมาเผารนให้เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของตนแล้วก็มาตําหนิว่าตนไม่บุญวาสนาน้อยมีกรรมมีเวรกรรมแปลว่าอะไรก็แปลว่าการกระทําเราไม่ทํากรรมผลของกรรมจะมาจากไหน เรื่อง ร, รมเรื่องเวีคือความเกี่ยวพันกอบเจ้าของทำเองก็เกี่ยวพันกับเจ้าของเราไม่คิดถึงต้นเหตุแห่งความเป็นอยู่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่าเรื่องความตายเป็นไหนๆการตายนั้นตายได้ด้วยกันทุกรายและตายในท่าต่างๆซึ่งไม่ค่อยจะซ้ากันนี่เป็นธรรมดาของความตายในหลักธรรมแต่เราทั้งหลายเห็นว่าการตาย ดังที่ปรากฏมานี้เป็นของแปลกประหลาดเหมือนกับว่าไม่เคยมีไม่เคยมีในโลกมาก่อนเลยเรื่องความตายด้วยอุปัติเหตุกับความตายที่ลมหายใจธรรมดาหมดกำลังวังชาของชีวิตจิตใจเรียกว่าเกิดขึ้นจากความชราภาพทั้งสองอย่างนี้ก็คือความสิ้นกำลังแห่งธาตุขันเช่นเดียวกัน ไม่มีอะไรผิดแปลกจากการท่าตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นของเคยมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วเราไม่ควรไปตื่นเต้นตกใจคิดวิาพากวิจารไปในแง่ต่างๆซึ่งผิดจากคานองครองธรรมของพระพุทธเจ้าและครองธรรมของคติธรรมดาสิ่งที่ควรให้คิดก็คือให้คิดเวลามีชีวิตอยู่นี้ซึ่งจะ จึงจะเพรียกรางเปลี่ยนแปลงไปในแง่ต่างๆส่วนมากมักเป็นแง่ร้ายยิ่งกว่าแง่ดีใส่ตัวเองควรจะสนใจตรงนี้ให้มากกว่าเรื่องความตายอันความตายนั้นคนบุญก็ตายได้ตายได้ทุกแบบทุกแง่ทุกกระทงทุกเอริยาบทเช่นเดียวกับธาตุขันของโลกทั่วๆไปคน บาปก็ตายได้ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นกาอาการตายของคนบุญกับคนบาปนั้นถ้าเป็นเรื่องของขันนี้ย่อมมีความเสมอภาคกันสำคัญที่จิตซึ่งได้รับการอบรมมาด้วยดีแล้วผู้นั้นเป็นผู้ตายมีหลักผู้ไม่ สนใจในศีลในธรรมในคุณงามความดีไม่พยายามรักษาจิตใจของตนให้มีหลักมีเกณฑ์มีสั่งมีฝาด้วยคุณงามความดีทั้งหลายจะตายอยู่บนหอปราสาทก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ดิฉานตายอยู่บนพื้นหรือตายจมน้ําจมโคนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเรื่องความตายจึงไม่สําคัญยิ่งกว่าการปรับปรุงตัวดี ตัวให้ดีในเวลามีชีวิตอยู่นี้เมื่อปรับปรุงตัวให้ให้ดีในมีการมีชีวิตอยู่แล้วจะตายในสถานที่ใดก็คือคนดีตายไปสู่ความดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้เลือกชาติชั้นวันนะสมณะชีพระสำคัญอยู่ที่ความเป็นคนดีนี่เป็นแบบฉบับอันสำคัญสาหรับชีวิตจิตใจของพวกเราเฉพาะอย่างยิ่งเราชาพูธ ให้พึงพทราบถึงเรื่องความเป็นความตายอย่าไปตื่นเต้นตกใจมากผิดตกติของธรรมดาไม่ใช่ผิดปกติมันเป็นเรื่องของปกติแห่งสภาพของขันนั้นๆซึ่งไม่ใช่ขันเดียวกันแล้วแต่จะเป็นในลักษณะใดเช่นอย่างสัตว์เราโยนเข้าในหมอ้อทีและหลายหลายตัวเช่นเชียดเป็นต้น ตายทีลหลายหลายตัวทําไมเราไม่เห็นว่าเป็นของแปลกประหลาดทำไมกินกันน่าอร ե ศอร่อยเป็นอาหารสัตว์กี่ตัวปลากี่ตัวโยนลงในหม้อกแกงนั้นมันตายพร้อมกันมากเท่าไหร่เราก็เห็นนะับไม่เห็นคนํานึงคํานวณคํานึงแต่ว่าวันนี้อาหารว่างเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นความจริงมันก็เป็นความตายในลักษณะอย่างเดียวกันดังที่เป็นมาแล้วนี้ เพราะเคยเป็นอยู่ในโลกมาเป็นเวลานานนั้ยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีใครที่จะลบให้สาบสูญไปได้ในเมื่อกรรมวิบากของกรรมมีประจําสัตว์ในสังขารอยู่แล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นดัมเป็นของสําคัญที่จะเป็นไปต่างๆกันในลักษณะแห่งความตายจึงไม่เป็นของแปลกไม่เป็นสิ่งที่น่าสนใจ มากยิ่งกว่าความเป็นอยู่ของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้จะควรทำตนอย่างไรสิ่งที่ยืนยันที่จะไปต่อพบต่อชาติแบกความทุกข์ความทรมานต่างๆและจะไปเสวยสุขในภพนั้นๆก็คือใจใจนี้เป็นเครื่องยืนยันได้เสมอไปทุกรูปทุกนามว่าไม่เคยตายไม่เคยชิบหายเป็นสิ่งที่ยืนยงคงที่ เป็นนักท่องเที่ยวแห่งวัตาสงสารในพบน้อยพบใหญ่นับความทุกข์ความยากความลำบากเฉงใจไร้ทรัพย์อปัญญาหรือมีความฉลาดแล้วแล้มคมมีฐานะดีสมบัติเงินทองมากเป็นกายเป็นเทบุตรเทวดาก็ขึ้นอยู่กับใจดวงนี้ที่มีคุณงามความดีเป็นเครื่องส่งเสริมจากการบําเพ็ญความดีในเมื่อในเวลาที่มีชีวิตอยู่ นี่เป็นหลักสําคัญที่เราทั้งหลายจะพึงสนใจให้มากยิ่งกว่าการตายในแง่ต่างๆเป็นไหนๆ น, นั้นเป็นความเห็นผิดมีภาค พ, พิจารณให้เกิดความเสียอกเสียใจแก่ตนเองยังทําคนอื่นให้เอ็นเอียงไปด้วยบางคนยังอาจคิดแต่ว่าทําไมผู้ประพฤติปฏิบัติดีจึงไปตายแบบนั้นนั่นเลยไปลบล้างความดีของท่านผู้ดีนั่นไปเสียเหมือนกับว่าไปล่มจมด้วยกันเสียหมดไม่มีชิ้นดีเลย จะดีมาขนาดไหนเมื่อไปตายแบบนั้นก็เป็นการลบล้างความดีสมบูรณ์นี่เป็นความเห็นผิดอย่างยิ่งไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ดีต้องดีเสมอแต่เรื่องธาตุขันไม่นอกเหนือจากความตายความตายย่อมยียำนาจครอบดูทุกธาตุทุกขันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลในน้ำบนบกเกิดแล้วต้องตายในลักษณะต่างๆากันเช่นนี้มาดั้งเดิมเราจรึงไม่ควรสงสัย สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เราได้ทำตัวของเราเป็นอย่างไรเราได้คำนึงไหมชีวิตความเป็นอยู่นี้เป็นของไม่แน่นอนลมหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายมีเท่านี้เป็นสาคัญในขณะที่มีชีวิตลมหายใจเข้าออกได้อยู่ เพื่อนไหวไปมามีกำลังวางชาที่จะพระพุทธปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติบ้านเมืองตลอดทางทางพระศาสนาเราก็ควรทำเสียตั้งแต่บัดนี้นี่เป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ควรสนใจอย่างยิ่งซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านแสดงไว้ว่าอัเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญามรนังสุเ นะฮิโนสังคารันเต น, นะมหาเสเนนมัตุนาการประกอบคุณงามความดีเพื่อเป็นสี่มงคลเจดตนเองและส่วนรวมนั้นควรทำเถียตั้งแต่บัดนี้วันวันนี้เป็นต้นไม่ควรถัดวันประกันทุ่งใครเล่าจะทราบได้ว่าความตายซึ่งเป็นเสนาใหญ่นั่นฟังสิความตายมันเสนาน้อยเสนาเล็กเมื่อย เสนาใหญ่อยู่เหนือขันจะมาถึงเราเมื่อไรจึงควรประกอบผลประโยชน์หรือคุณงามความดีต่างๆเสียตั้งแต่บัดนี้นี่เป็นความชอบธรรมของชาวพุทธให้วิจารณ์กันที่ตรงนี้อย่าไปวิจารณ์อย่างอื่นซึ่งผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการถูกต้องให้วิจารณ์เสียตรงนี้จิตใจเป็นสิ่งไม่ตาย มีอับเถาได้มีสร้างความสงา่าผ่าเผยเจริญเจริญรุ่งเรืองได้ในเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจะต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยจนกระทั่งถึงจเจริญเจริญสุขถีหากไม่รับการเดูแลมีการมีแต่การเหยียบย่ําทําลายด้วยการทําความชั่วช้าลามกทั้งหลายผลก็เข้าไปย่ํายีตีแหลกจิตใจให้มีความทุกข์ความทรมานไม่ว่าจะพบน้อยพบใหญ่จะตาย อยู่บนหอปร า, าสาทก็จะต้องเป็นความทุกข์ความทนมานของจิตดวงนั้นไม่สําคัญอะไรกับสถานที่ที่ตายนั่นเลยแต่ตายอยู่ในกองเงินกองทองเงินก็เป็นเงินทองก็เป็นทองใจที่อับเฉาเศร้ามองลึกขุ่นมัวก็เป็นใจที่บรรจุความทุกข์ พื้ยาพิษและแก่บาปกรรมต่างๆไว้อย่างเต็มตัวจะหาความสุขมาจากที่ไหนแม้อยู่ในท่้ำกลางแห่งกองเงินกองทองก็ตามเพราะไม่เดีเกี่ยวเนื่องกันนี่เงินเป็นเนงินทองเป็นทองสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นจิตมากับบุญอยู่กับจิตตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอาศัยเป็นที่ตายนั้นเลยเพราะฉะนั้นการตายของคนชั่ว แล้วจะตายในสะถ า, านที่ใดก็ตามจะตายอยู่บนอวกาศมันก็คือคนชั่วมันจะต้องจมลงอยู่โดยดีเพราะสิ่งที่จะพาให้ล่มจมอยู่ที่ใจไม่ไม่ใช่อยู่ที่อวกาศถ้าคนดีตายแบบไหนก็ตายเพราะเรื่องขันนี้บังคับไม่ได้ไม่มีใครบังคับได้เช่นเดียวกับโรคนะร่างกายของเรานี้ มีโรคต่างๆเกิดขึ้นจะพึงเยียวยารักษาด้วยยูกยาต่างๆพอประทังกันไปประทังกันไปสิ่งที่อยู่ในวิสัยของยาของหมอก็รักษากันไปได้แต่เมื่อพ้นวิสัยของยาและหมอแล้วมันก็จาเป็นจะต้องปล่อยวางอยู่โดยดีคือโรคชราถึงการที่มันจะไปแล้วเอาอะไรมาใส่ก็ไม่ได้เลือนี่ เมื่อถึงการของกรรมของขันนี้มาถึงแล้วก็เช่นเดียวกันจะอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้อยู่ในบ้านในเรือนเหาะอยู่บนฟ้าอยู่ในน้ำบนบกมันตายได้ทั้งนั้นเมื่อมันถึงการของมันแล้วเพราะธรรมชาติอันนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่การบุคคลหรือเวลมเวลาใดๆดเลยมันขึ้นอยู่กับตัวของมันเอง ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรปะอาดเอื้อมวิภาควิจารในแง่ต่างๆให้เป็นความกระทบกระทวนจิตใจตนและผู้อื่นให้เสียหายไปมากมายซึ่งเป็นความเห็นผิดจากหลักแห่งธรรมของชาวพุทธทั้ง น, นั้นเราเป็นชาวพุทธต้องเชื่อกับกรรมแปลว่าการกระทำเรากระทำได้มากน้อยเพียงไรชีวิตจิตใจได้มามากน้อยเพียงไรมันก็เหมือนกับเราเท น, น้าลงในพื้น ถ้าน้ำนั้นมีมากอยู่ในภาชนะเทมันก็ไหลไปได้ไกลถ้าน้ำมีน้อยเทลงไปสักเพีเดียวก็หมดไม่ได้ไหลไปถึงที่อื่นที่ไกลที่ไหนเลยนี่ชีวิตบางชีวิตตายอยู่ในท้องก็มีตกคลอดออกมาตายก็มีกี่วันกี่ปีกี่เดือนไม่ถึงไหนตายก็มีจนถึงอายุไขตายก็มีนะ มันไม่แน่อย่างนี้เพราะมันเป็นกรรมของแต่ละบุคคลคําว่ากรรมมีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่าสติปัญญาสามัญธรรมดาเราจะอย่างทราบได้นอกจากพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันบางองค์เท่านั้นแต่ไม่ใช่ทั่วไปคําว่าอรหันสําหรับการเชื่อกรรมนั้นนัดแต่พระพุทธเจ้าและอ ร, รหันลงมาร้อยทั้งร้อยท่านเชื่อเพราะ ใจเป็นตัวสร้างกรรมเป็นหลักฐานพยานอยู่ที่ใจการตัดกรรมทั้งหลายในอนาคตที่จะให้ขาดสะบั้นออกจากจิตใจนั้นท่านตัดได้ด้วยข้อปฏิบัติของท่านจริงแต่การจะตัดลิบากที่เคยเป็นมานั้นแม้จะไม่สามารถเข้ากระเทือนจิตใจของท่นละของท่านได้แต่ก็ มากัะเทือนถึงส่วนร่างกายจนได้ดางพระโมคขันละท่านเป็นผู้มีลิทธามีลิธาสักดานุภาพและเป็นอักสาวกข้างซ้ายของพระพุทธทเจ้าลองพระษาญิบุ่นซึ่งเป็นพระษาวกข้างขวาได้รับเอตสักขะการยกย่องจากพระพุทธเจา้าว่าเป็นผู้เลิศในการแสดงลิธาสักดานุภาพไม่มีสาวกองใดเสมอเลย ในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยกพระโมคคันลาเป็นที่หนึ่งหอเหินเดินฟ้าดำดินบินบนนิรมิตประเภทต่างๆเป็นมนโนมยิธิฤทธทางจิตใจเป็นไปได้หมดแต่เมื่อแม้จะเป็นเช่นนั้นก็าตามพระโมคคันลาท่านก็ยอมรับกรรม มีโจรผู้ร้ายเข้ามาห้อมล้อมกุดติจะทำลายท่านจะทุบจะตีท่านท่านก็หาะออกหนีไปเสียหลายครั้งหลายหนเพราะท่านมีทิฏฐาสักดานุภาพมากแต่เมื่อหลายครั้งหลายหนแล้วท่านก็ย้อนพิจารณาถึงเรื่องกรรม อ๋อกรรมนี้ที่เราได้เคยสร้างคือทำความไม่ดีฆ่าบิดามารดาตั้งแต่สมัยก่อนๆนโน้นกรรมนั้นติดตามมายังไม่สิ้นกรรมแม้ใจท่านจะตัดขาดจากกรรมโดยประการทั้งปวงแล้วแต่ขันอันนี้มันเป็นเศษของกรรมเพราะเป็นสมมุติกรรมก็คือสมมุติประเภทหนึ่งๆสมมติต่อสมมุ ต, มมติย่อมเข้ากันได้สนิท อย่างสนิทเพราะฉะนั้นพระโมคกขนาจึงยอมรับกรรมจะมีฤทธาศักดานุภาพขนาดไหนภายใน จ, ใจิตใจที่จะยกร่างกายนี้ให้หอเหินเดินฟ้าไปได้เร็วยิ่งกว่านกก็นามเมื่อได้เชื่อกรรมแล้วก็ถอนฤทธ์คือกําลังของใจที่จะยกร่างกายนี้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆดังที่เคยแสดงฤทธาสักดานุภาพมาแล้วออกเสีย ปลอยให้โจรนั้นทุกตีเอาจนแหลกจิตของท่านไม่กระทบกระเทือนเพราะจิตกรรมแตะต้องไม่ได้จิตนั้นเป็นยมุติจิตกรรมเป็นสมมุติไม่สามารถที่จะเข้าถึงจิตตะวมุติของท่านได้ท่านก็ปล่อยให้ย่ำยีตีแหลกคือโจรทั้งหลายย่ำดีตีแหลกร่างกายซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันอันเข้ากันได้กับกรรมอันเป็นสมมุติเช่นเดียวกัน จนกระทั่งโจรเหล่านั้นทุบตีเป็นที่พอใจเข้าใจว่าท่านตายแล้วก็พากันหนีไปท่านจึงมาประสาน ร, ร่างกายของท่านนี้เข้าด้วยสมาธิสมาบัติแล้วไปทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสูนิพพาเนเมื่อพระองค์นับสัง่งถามว่าจะนิพพานที่ไหนท่านก็ทูลว่าจะไปนิพพานในสถานที่ที่โจรทุบตีนั่นแหละ พระองค์ก็รับสั่งว่าตามแต่อัธยาศัยและการอันกวนของเธอเถๆนั่นพระองค์ไม่เห็นคัดค้านไม่เห็นตําหนิติดเตียนพระโมกคันลาว่าก็เธอนั่นหนะโมกคันลาหนึ่งเป็นนากขาสโวะข้างซ้ายสองเป็นผู้มีดิธาสักดานุภาพขอเหินเดินฟ้าได้โจรจะประมาณสักกี่หมื่นกี่แสนคนก็ตามข่าเธอไม่ได้ เพราะเธอมีดิธาสักดานุภาพมากทำให้หายตัวก็ได้แล้วทำไมเธอจึงยอมให้โจรมาทุบตีเอาะจนแหลกอย่างนั้นละ่ะไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงตำหนิอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องหลักแห่งกรรมของสัตว์โลกทุกประเภทได้เป็นอย่างดีไม่มีใครเสมอเหมือนจึงสมสมพระนามบ่าเป็นศ า, ศาสดาเอกของโลก จึงไม่ทรงตำหนิติดเตียนทะโมกขันลาวว่ามีนิทาสักดนันผ้ามากแต่เอาตัวไปไม่รอดไม่เห็นว่าอย่างนั้ น, นให้เราทราบดังนี้เรื่องของกรรมเป็นอย่างนั้นส่วนจิตที่บริสุทธิแล้วนั้นไม่มีสมมุติใดกรรมใดที่จะติดตามท่านเลยตั้งแต่ขณะตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมจิตต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์นัยในขณะไหน เวลาใดอิเดียบุตใดไม่สําคัญเพราะนั้นเป็นเรื่องของร่างกายแตกสลายต่างหากส่วนจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นวิมุตตลอดกาลไม่มีทางสงสัยนี่จิตผู้ที่มีคุณงามความดีถึงไม่แม้จะไม่ถึงขั้นวิมุติบุดพ้นก็ตามมีหลักจิตหลักใจคุณงามความดีเป็นเครื่องประคับประคองส่งเสริม ตายในสถานที่ใดจะตายในป่าในเขาที่ไหนก็ไม่สำคัญสำคัญที่ผู้นั้นเป็นผู้ดีทิ้งร่างเมื่อไรก็ผ่านไปได้ในสุขโตไปดีเพราะอยู่ก็อยู่ดีทำดีไปต้องไปดีต้นกับปลายต้องตรงกันเสมอนี่คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ เราจึงไม่ควรสงสัยในความตายในแง่ต่างๆของท่านผู้ที่ตายไปแล้วในบัดนี้พอดีหรือที่เคยตายมาแล้วและจะตายข้างหน้าพอดีมันเป็นอำนาจของกรรมเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของความตายจะเป็นไปต่อกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับเรานอกจากจะเป็นผู้ยอมจำนนต่อกรรมว่าเป็นไปได้อย่างนี้จริงๆเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ทรงรู้กรรมสอนกรรมได้อย่างไร อะไรเป็นหลักฐานสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คือกรรมเป็นสำคัญกรรมสัตวิพัชชติยติดังหินับปณิตังนี่ประกาศไว้กับเพือนโลกมาเป็นานานเท่าไหร่ถึงใจของพวกเราไหมว่ากรรมย่อมเป็นเครื่องจำแนกแกสัตว์ให้ประนีตเรือซามต่างกันท่านท่านได้บอกไว้ไหมว่ากรรมนี้ทำให้สัตว์โลกเสมอกันหมดราบเหมือนกันหน้ากรองไม่เคยมี แม้เราอูเดี๋ยวนี้ก็ดีเราดูเราดูอายุพรรษาก็ไม่เหมือนกันคนนั้นเกิดวันนั้นเดือนนั้นตีนั้นพอสอนนั้นมีก่อนมีหลังมีรูปลักษณะทิฏยาท่าทางฐานะความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบัญญามีสับปนกันอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกรูปทุกนามไม่เห็นมีแป่กไม่เห็นใครจะจะเสมอกันได้เลยนี่แหละกรรมท่า กรรมเป็นของไม่จริงเราจะทําให้จริงจรงได้ไหมายให้โลกนี้เสมอกันหมดเหมือนกันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยกรรมเป็นของน้ำผ่านเช่นนี้ท่านจึงให้ระวังกรรมการสร้างกรรมกรรมดีก็เรียกว่ากุศลกรรมกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมพยายามระมัดระวังกรรมชั่วทําแล้วไม่ไปไหน เาของเป็นผู้ทาตีกราไว้แล้วแม้มันมีใครทราบก็ตามก็คือเราเป็นผู้ทราบและเองทำใจเองตีกราในเราเองแล้วจะไปที่ไหนกรรมไม่ลำเอียงต่อผู้หนึ่งผู้ใดจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่ทำลงไปแล้วและนอกจากเขาจะพยายามหาวิธีแก้ไขดัดแปลงตนไปเสียใหม่ให้เป็นในทางที่ดีดีแล้วตายที่ไหนก็ตายตาหอประสาทก็เป็นคนดี ตายโยนอวากาศก็เป็นคนดีตายยึสถานที่ใดๆก็เป็นคนดีจิตใจย่อมไปดีเสมอนี่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่เราควรจะสนใจในขณะที่มีชีวิตอยู่อย่ า, ยามัวเพลิดมัวเพลินตื่นโลกตื่นสงสารว่าจะพาหอเหินเดินฟ้าเราไม่มีปีกมันบินไม่ได้แหละตั้งแต่นกมันมีปีกมันก็ยังตายสำคัญก็คือสร้างตนให้ดี อยู่ที่ไหนอย่าทำลายตนด้วยการทำชั่วช้าละมกต่างๆให้พยายามอบรมสั่งสอนตนแต่เรื่องของกิเลสภายใน จ, จิตใจนั้นให้พึงทราบด้วยกันว่าต้องฝืนทำเสมอต้องเป็นค่าศึกกับทำถ้าเราจะบำเพ็ญคุณงามความดีเวลาเวลาก็มีร่างกายก็อ่อนเปียกไปหมดเจ็บนั้นปวดนี้เจ็บหัวตัวร้อนออไม่มีเวลาเวลา กิจการงานก็ยุ่งยากปากก็มองหาอยู่หากินไม่พอปากพอท้องนะแต่พอจะไปตามยะถากรรมให้กิเลสให้เป็นทางของกิเลสแล้วไปได้วันยังคํำคืนยังรุ่งจนลืมตายไม่มีป่าช้าภายในความรู้สึกมีเยอะนี่ละกิเลสมันหลอกกับโลกหลอกมาอย่างนี้ไม่มีสภาพใดสิ่งใดที่จะมีความละเอียดฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสบนหัวใจของจัต สเสสี่ยมอนสัตว์มาเป็นเวลานานเราจึงยอมเชื่อไม่ไม่เพียงว่ายอมเชื่อนะเชื่อเอาเลยเชื่อมาจากการไห น, ไหนถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเชื่อได้ง่ายเพราะเคยเป็นครูเป็นอาจารย์เรามาเป็นเวลานานทำคำว่าพระพุทธเจ้าจะเข้าแทรกภายในจิตได้แต่ละครั้งละคราวนี้ท่านเหมือนกับว่าฟ้าแม่นัพระพุทธเจ้ามาจากสะดุ้แต่ละองค์นั่นแหละคือเครื่องต่อสู้ ค่าสึด ข, ของกิเลสมาแล้วกิเลสกับธรรมต้องเป็นค่าสึดกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบคุณงามความดีต้องในรบกับค่าสุดคือกิเลสตัวขี้เกียจขี้ค้านตัวอ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยไม่มีอำนาจวาสนาตนเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญานตนเป็นผู้หญิงไม่สามารถจะบวชได้เหมือนผู้ชายโดยตนเป็นผู้ชายก็ลืมเนื้อลืมตัว เท่าแก่ชลาเสก่อนถึงจะไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลที่น้ำร่ำว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโกหกกันเป่าเปล่าเราเลยถูกกิเลสโกหกไม่รู้ตัวทำบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นี้เป็นท่านผู้รู้ผู้ฉลาดแหลมคมอย่างยิ่งเป็นาศาสดาของโลกมานำมาสั่งสอนแต่เรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนั้นเป็นเรื่องของกิเลส ซึ่งเกิดจากความมืดดำมาเสี่ยมสอนเราเชื่อได้ง่ายง่ายเมื่อเชื่อทางไหนง่ายก็ต้องเอ็นไปทางนั้นด้วยเหตุนี้การจะประกอบคุณงามความดีอันเป็นแนวทางให้ตนได้รับความถูกความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงต้องได้รบกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกอยู่ภายในใจคอยกระซิบกระซาบอยู่ตลอดเวลาเราอย่าว่าแต่ชาวบ้านทั้งหลายเลย นักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระเอาเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมาฐานกินแล้วนอนก่อนแล้วนินเดียนจบตั้งแต่ชั้นก่อนแล้วนินกินแล้วนอ น, นจะจบจะจบชั้นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคขภารหันนั้นไม่ได้ยินเสียงเงียบได้ยินแต่เสียงโจรนคร่าคร่านั่นเห็นไหม เข้าแนวลบทำไมจึงขึ้นบุญหมอนให้กิเลสซับเอาดังคราบครบเราได้ชาชนะมาจากไหนนอกจากกิเลสยิ้มแต้มเท่านั้นถ้าว่ามีหัวผักหัวหอมก็ซอยกันลงไปขยากันลงไปกินอิ่มแล้วไปถ่ายแ ล, แล้วเรายังไม่ตื่นยังคราบค ร, รอบอยู่นั่นเห็นไหมกิเลสกล่อมคนอา้าวเราอยากจะรู้ชัดเจนผูปฏิบัติล้องเข้าสู่แนวลบจริงๆดังพระพุทธเจ้าของเรา ท่านทรงทำทุกอย่างประสบพบเห็นมาทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลอย่างพระจกักรพรรดิแล้วจึงไม่ น, นํำทำคำําตั้งสอนนั้นมาตั้งสอนพวกเราพร้อมตัวเหตุด้วยผลโดยสมบูรณ์หาที่คัดค้านแย่งชิงไหมาหาคัดค้านที่แย่งชิงไม่ได้เรียกว่าสวาาัสดิธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแน่ทุกหมุดด้วยความรู้จิงเห็นจินของพระพุทธเจ้า เรานำธรรมะประมาปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสเพื่อต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นจอมาศสาศสาศดรศาสตาอยู่ภายในจิตใจของเราจึงต้องได้รับความลําบากลําบนเพราะกิเลสมันกระซิบกระซาบมันมีอํานาจเหนือจะมีอานาจเหนือธรรมธรรมยังมีน้อยกิเลส จ, จึงต้องปราบทําให้อยู่ทีเดียวเดินจงกลมก็เดินไม่ได้ถึงสามเก้าเอ่ะงอเท่าอ่อนแล้วเอเดินหยอกหยอก แล้วหัวเข่าก็อ่อนแล้วจิตใจก็เธอมองโน้นมองนี้อเหมือนคนไม่มีสติสตังมีแต่เดินจงกรมเดินไปรชัเฉยสุนัข ก, ก็ยังเดินได้มันวิ่งได้ว่า อ, อันเดินไม่มีสติไม่มีความสําคัญอะไรเดินเดินก็ดีนั่งก็ดีให้มีสติพวกปุ่มจิตใจของตนไม่ให้สาแสะไปในอารมณ์ที่เป็นข่าศึกต่อต น, อนเป็นเรื่องของกิเลส คำว่าธรรมต้องเป็นการหักห้ามกิเลสด้วยชติไม่ให้คิดปัญญาแง่ต่างๆอันเป็นค่าศึกตนเองนี้เรียกว่าธรรมการนำมาำทำมาต่อสู้กันกับกิเลสจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยยกตัว อ, อย่างพระพุทธเจ้าของเราสลบถึงสามครั้งนั่นถ้าเราจะพูดตามภาษาโลกโลกเราก็เรียกว่าขึ้นเวทีถูกกิเลสนักเอาล้มลงไปสลบถึงสามครั้งพระพุทธเจ้า พอครั้งสุดท้ายก็น็อกกิเลสให้ราบไปโดยนั่นคือตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือนหกได้ชัยชนะแลว้วพวกเราที่เป็นลูกจิตตถาคตมีใครสลบสักครั้งบ้างไหนจึงจะโอ้อวดตนว่าความเพียงยิ่งกว่าครูนอกจากสลบลงหมอนเท่านั้นมาเห็นสลบที่ไหนมากกว่า น, นั้นนี่หะเราคิดอย่างนี้ หาเกิดความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรมาก็ให้รึกถึงศาสดาของเราพุทธังสันังขฉามิท่านสรบสามหนมเพียงท่านสลบแต่เวลาท่านฟัดกับกิเลสกิเลสตายที่นาจิหายไม่มีวันฟื้นเลยท่านเพียงสลบสู้กับกิเลสการสลบเป็นความดีแล้วหรือเป็นความสุขความสบายไหม เราพิจารณาทีทุกขณะไหนการประกอบความภากเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสอันใดในโลกนี้ที่จะเหนียวแน่นแก่นวัตยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจของสารโลกไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่แก้ยากมากถูกมันกล่อมเอากล่อมเอาเราเข้าไปนึกว่าเข้าไปด้านหลังมันกลับเข้าไปทางข้างหน้าให้มันเข็เอาเข็เอามีแต่แพ้มันอย่างราบอย่างราบหมอบราบเรด้วยนี่เป็นอย่างนั้นท่านจึงสอนให้ มีสติปัญญาเฉพาะอย่างยิ่งพระนักปฏิบัติซึ่งเข้าสู่แนวรคตามที่ท่านทรงสอนไว้แล้วว่าลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาลำนาวไพในถ้ำเงื้อผาต่างๆอันเป็นสถานที่ประกอบความภาพเพียรให้เป็นไปเพื่วความสะดวกสบายคลายคิดเดือดตัณหาสะออกจากใจให้ถึงมิมุดหลุดท้นให้เธอทั้งหลายพยายามทาความ ให้ตามความเพียรในสถานที่ฉะนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นเป็นสถานที่สะดวกแล้วเหลือใครจะปรารถนาให้ไปอยู่ในดงคนเดียวในป่าคนเดียวในเขาคนเดียวในถ้าคนเดียวโอดอยากขาดแคลนอะไรอะไรก็ต้องอดต้องทนนะปฏิบัติเพื่อต่อสู้พิเดตอยู่ด้วยความเหลือเฟืออยู่ด้วยความฟุ้งฟาฟูา้งฟวยนั้นมันเป็นเรื่องของหมูถูกขุนอาหารเข้าไปแล้วนอนคอยเฉียง แต่สำหรับนักโรบต้องเขีียมทั้งนั้นผู้ที่ท่านได้รับความวิเศษพิโสขึ้นมาสองโลกดังพระพุทธเจ้าของเราโอดอยากหร <Yes. S 1> ือไม่โอดอยากลำบากหรือไม่ลำบากถึงขั <man> <großes> ้นสลรบพระสาวกองไดที่ออกมาจากสกุลต่างๆพระราชาหมากษัตย์เศรษฐีกรุมผีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาใคร ก้าเข้ามารับพระาวตาิจากพระเจ้าอย่างถึงใจแล้วก็เข้าสู่ป่าสู่เขาลำนาไพรประกอบหน้าที่การงานของตนเพื่อความบุญทนซึ่งเป็นงานอันใหญ่หลวงมากงานหรือพบหรือชาติหรือวะตาสงสารกองทุกทั้งมวลออกจากใจไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยจึงต้องทุ่มเทกำลังเต็มทัติควาากำลังความสามารถลงไปแลวก็ผ่านพ้นไปโดยลำดับว่าองค์นั้นได้สาเร็จ อยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นท่านเลยอยู่ในป่านั้นถ้ำนั้นเนื่อผานั้นเดินสังขังส่นนางคัจฉามีของพวกเราท่านเป็นได้มาอย่างง่ายๆเหรอือท่านเป็นมาด้วยความอดอยากขาดแคลนทั้งนั้นท่านทนเอาผู้ต้องการความดีต้องทนเอาเราต้องการความดีต้องทนเอาฝ่าฝืนกับกิเลสเราอยู่กับกิเลสมานานหากจะดิบจะดีได้เด่น ในวิเศษวิโสมีความสุขความสบายพอได้อวดโลกเขาบ้างมันจะได้อวดด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้เพราะมีกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันแต่ไปที่ไหนมีแต่ความบนเพ้เอละเมอไปต่างๆเห็นว่าความทุกข์ความยากความลำบากด้วยเหตุนั้นเหตุนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อสรุปความลงแล้วนั่นมันควรจะเชื่อมันไปนานสักเท่าไหร่ให้มันหลอกต้มไปนานอะไรนักหนาเรามีครูมีอาจารย์คืออับธรรมนี้เป็นเครื่อง ต่อสู้ฟาดปันกับมันอยู่แล้วควรที่จะนำธรรมะนี้เข้ามาต่อสู้เพื่อได้คุณงามความดีจากคร่างอันนี้ก่อนที่จะสายไปเสียเมื่อถึงขั้นถึงการเวลาแล้วให้พยามัจุรามันได้แต่กากเมืองไปคือได้แต่ขันร่างกายนี้เท่านั้นคุณงามความดีเราตักตวงเต็มหัวใจไปหมดตายที่ไหนก็ตายเถิด ยืนตายก็ไม่วา่านั่งตายก็ไม่สำคัญนอนตายไม่สำคัญจะตายด้วยวิธีใดก็ตามก็คือขันมันแตกจะหลายทนไม่ไหวมันแตกแต่จิตใจซึ่งบำเพ็ญุณงามความดีบรรจุไว้อย่างเต็มที่หรือพอพอสมควรแก่ตนเองแล้วย่อมประครับประคองตนไปได้ในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมตลอดถึงท่านผู้ิรูปพนแล้วจิตก็ผ่านไปได้ เพียงแต่นับผิดชอบขันอยู่เท่านั้นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นพอขันเสียลาักลางไปเออหมดเสียทีพาราฮาเวปัญจักพันธาได้แบกหามมาด้วยความรักผิดชอบนี่นานแล้วตั้งแต่ก่อนแบกหามด้วยความยึดมั่นถือมั่นเมื่อรู้แจง้งเห็นจริงในขันนี้แล้วก็แบกหามมันด้วยออความรักผิดชอบนี่สลัดเสียทีหายห่วง อ, อ น, นุภาติเสสานิพานนะ ถึงแล้วถึงสถานที่หมดกังวลในบรรดาสมมุติไม่มีอีกแล้วแต่ก่อนสมมุติในขันยังมีจิตเป็นวิมุตต์หลุดพ้นไปแล้วในขันยังมีสมมุติยังต้องได้เกี่ยวข้องกับสมมุติเป็นความกังวลกับมันรับผิดชอบมันอยู่เสมอเมื่อแก้มุดผ่านกันไปแล้วก็วิมุตต์หลุดพ้นนี่เป็นของสําคัญ ขอย้ำอีกทีว่าใจเป็นของสําคัญขอให้ทุกท่านซึ่งเป็นชาวพุทธได้สํานึกเสมอว่าใจนี้แหละเป็นตัวยืนโรงในการเกิดแก่เจ็บ ต, ตายไปเจี่บพบน้อยพบใหญ่ขอให้สร้างคุณงามความดีการบําเพ็ญจิตใจให้ได้รับความสงบเยือเกเย็นเป็นรากฐานสําคัญเป็นจุดที่ต้องการอย่างยิ่งคุณงามความดีทั้งหลายอื่นก็ไหลรวมเข้ามาสู่จุดนี้ การอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือเกเย็นเป็นสิ่งสาคัญใจของเราเยังสงบเท่านั้นเราก็เห็นคุณค่าขึ้นมาแล้วจิตไม่มีความสงบหาคุณค่าที่ไหนมีแต่ฟืนตะไฟเผารนตัเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้บางคนก็จนคิดไปทางที่ผิดซ้ําเข้าอีกว่าโอ้ตายเสียดีกว่าดีกว่าอยู่ในโลกนี้มันก็ทุกความทรมานเหมือนกับว่า ตายไปแล้วจะได้สวรรค์นิมานที่ไหนมันจะได้สวรรค์นิมานทั้งที่ไหนก็ใจทั้งดวงมันเป็นไฟทั้งกองอยู่แล้วมันจะเอาสวรรค์นิมานมาให้เราที่ไหนเพราะใจดวงนั้นเองจะไปสู่พบหน้าชานิหน้าธาตุขันธ์นี้มันไม่ไปแต่แล้วก็สลายลงไปอยู่ดินน้ำลมไฟตามเดิมจิต ด, ดวงบรรจุไฟทั้งกองนั้นแหละไปในพบหน้าแล้วเราจะเอาความสมบัติมาจากที่ไหนถ้าไม่แก้จิตใจซึ่งเป็นไฟทั้งกองนั้นให้ กลายเป็นความสงบร่มเย็นเป็นน้ําขึ้นมาภายในตนนี่ต้องทำละตรงนี้จิตใจเพียงสงบด้วยการอบรมของเราเท่นั้นก็เริ่มเห็นคุณค่าของใจยิ่งมีความสงบมากเป็นลายก็ยิ่งเด่นยิ่งชัดระหว่างใจกับกายก็รู้กันได้ชัดวันความรู้เด่นเด่นความรู้ที่สงบเยือกเย็นความรู้ที่มีความองอาจกระหารสง่าผ่าเผย น, นี่คือใจร่างกาย อาการต่างๆนี้คือธาตุคือขันคือส่วนร่างกายรู้ได้อย่างชาัดเจนยิ่งถึงขั้นปัญญาที่พิจารณาแยกแยะธาตุขันอาการต่างๆออกเป็นอนิจจังทุกขังาตารู้ทุกแหน่ทุกมุมแห่งขันมีรูปประขันเป็นต้นตลอดถึงเวทนาขันได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆในร่างกายและจิตใจก็สามารถทราบได้อย่างชาัดเจนเข้าไปโดยหนักเพราะอานาจของสติปัญญาเป็นผู้ที่พราย ขุดค้นให้เห็นความจริงปัญญาสั้งขานวิญญาณก็เป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของขันทั้งนั้นนี่เป็นอาการแต่ละอาการไม่ใช่จิตก็ทราบได้ชัดเจนมีเรื่องของปัญญาจิตย่อมมีความสง่าผ่าเผยมีความสง่าราศีมีความองอาจกราหารแยกแยะระหว่าง ขันขับจิตได้มากน้อยเพียงไรจิตยิ่งมีความสงาา่าผ่าเผยเห็นตัวอย่างเด่นดวงเข้าไปโดยลำดับลำดับจนสามารถกําจัดออกได้โดยประการทั้งปวงความยึดมั่นในรูปกายก็หมดไปเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาความยึดมั่นในเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งส่วนร่างกายและจิตใจก็รู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางกันได้เต็มที่สัญญาความจาได้หมายรู้ซึ่ง เป็นอาการอันหนึ่งของจิตก็รู้แจ้งเห็นชัดเห็นชัดไม่ยึดมั่นถือมั่นสังขารความคิดความปรุงต่างๆก็เกิดขึ้นมาจา ก, กจิตชิดดีชิดชั่วมีตั้งแต่เรื่องอันนีจังทุกข์ขาน้าตาเต็มตัวเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางได้ตามเป็นจริงวิญญาณความรับทราบทางตาที่ กระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็รับทราบทุกระยะระยะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วก็ดับไปตามระยะระยะของมันหาสาระแก่นสารที่ไหนมีหาเราหาเขาที่ไหนมีพิจารณาปุตค้นด้วยปัญญาแยกแยะให้เห็นตามความเป็นยิงยิบก็ยิ่งมีความเด่นดวงสง่าราศีจนกระทั่งถึงตีแหลกออกหมดในเรื่องขันทั้งห้าตีแหลกกระจายไปด้วยสติปัญญาอันทันสมัย นอกจากนั้นยังสามารถกระจายพายนอกิจซึ่งเป็นบ่อแห่งวกธาตุีิเดชเข้าไปสังตัวอยู่ภายในนั้นแต่กระจายไปด้วยกันอีกแล้วผู้นั้นจะไม่รู้ตนได้อย่างไรสันทิติโกรพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครถ้าให้สอนไว้เพื่อผู้ปฏิบัติว่าจะต้องเห็นเองจากการปฏิบัติของตนโดยไม่สงสัยนั่นท่านสอนไวอย่างนี้บางารหนึ่งก็เอหิปฏิโก ความจริงทั้งหลายเหล่านี้ประกาศท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาให้ย้อนจิตเข้ามาดูเอหีเอหีท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูความจริงทั้งหลายทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราเป็นสำคัญสมุทัยก็อยู่ที่ใจคือความปุ้งเฟอ้อเห่เหิมนังทีราคะสหกตาตะตะตราพินันดินีเซอยที่ดังการมาตัญหาพวัฒนาวิภาวันาเต็มอยู่ที่ใจนี้นี้คือสมุทัยจง บุดค้นด้วยปัญญาอบรมสติปัญญาขึ้ให้ดีนี่เป็นเรื่องของมรรคที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสทั้งหลายให้แตกกระจายไปให้อบรมสติปัญญาให้ดีคำว่า น, นิโรธคือความดับทุกข์นั้นจะดับไปโดยลําดับลําดับเพราะกําลังของสติปัญญาอันเป็นฝ่ายมรรคไม่ทําหน้าที่ของตนโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงกิเลสดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนิโรธความดับทุกข์ก็ไปดับไปโดยสิ้นเชิงหมด แล้วยังอะไรที่นี่การท่องเที่ยวในวัดตาสงสารก็ท่องเที่ยวเพราะอํานาจของกิเลสเป็นตัวจักหมุนจิตใจเมื่อกิเลสซึ่งเป็นตัวจักได้ถูกสังหารทําลายไปแล้วด้วยสติปัญญาณทันสมัยแล้วอะไรจะพาหมุนที่นี่ น, นอกจากวิวัตตาไม่หมุนแล้วสิ้นแล้วจากทุกพาณาจิตใจทั้งเหลือแต่ขันเท่า น, า น, นั้นนี่หลักากอยู่ที่ตรงนี้ทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครสอนไว้ตัง เพื่อพระพุทธเพื่อภาษาวกทั้งหลายครั้งนั้นเท่านั้นเหรอมีกิเลสเฉพาะภาษาวกทั้งหลายคนประชาชนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายค ร, ครั้งนั้นเท่านั้นเหรอครั้งนี้เป็นผู้บริสุทธิ์หมดแล้วเหรือเราจรึงไม่นํามาสนใจเพื่อแก้ไขตัวเราไปที่ไหนอยู่ที่ใดมีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สมุทัยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นเรื่องอะไรยภายในตัวของเราถ้าเราสนใจมาแก้อันนี้ ทำคำพูดิา้ามันมีการคืบการล้าสมัยทันสมัยกับกิเลสตลอดเวลาเพราะกิเลสไม่ได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตา ม, มาจากที่ไหนตั้งแต่สมัยโน้นมาจนกระทั่งถึงสมัยนี้เป็นกิเลสตัวที่เคยมีอยู่บนหัวใจสัตว์มานั้งเดินนั่นแหละนะครับอาวุธคือปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเรียกว่ามรรคก็เป็นสิ่งที่เคยห้ามหันกับกิเลสให้แตกกระจายไปแล้วกิเลสเคยกลัวมาเป็นเวลา นานมาแล้วทำไมมัคคปติปทานนี้จะไปด้อยหรือไปล้าสมัยกลับแพ้กิเลสมีอย่างหรือถ้าเราไม่พาให้แพ้เราตั้งใจจะนำสิ่งเหล่า น, นี้มาประพฤติปฏิบัติมากำจัดกิเลกกิเลสต้องขาดสะบั้นไปไม่มีเหลือเช่นเดียวกับครั้งพุทธการเราฟังที่ว่ามัชชิมาปฏิปทาท่ามกลางเหมาะสมเหมาะส ม, มอยู่ตลอดเวลา มัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเป็นประเภทโลภผลมัชฌิมาปฏิปทาก็โลภผลฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนกิเลสมอบราบอ่ากิเลสประเภทกลางมัชฌิมาประเภทกลางหมายถึงว่าสติปัญญาประเภทกลางเอาให้หละหมอบราบไปกิเลสรายละเอียดจนกระทั่งถึงอวิชาซึ่งเป็นสิ่งละเอียดสุด ในบรรดาสมมุติในบรรดากิเลสไม่มีสิทธิ์กิเลสใดที่จะไม่ยอมรอยิ่งกว่าอวิชาสติปัญญาก็กลายเป็นมหาสติมหาปัญญาทันกันฟาดกันแหลกกันแตกกระจายไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดจะมีอานาจนอกเหนือ้อมหาสติมหาปัญญาอันเป็นมันิมาปฏิบัตของพระพุทธเจ้าไปได้เลยถ้าเรานำ ม, มาปฏิบัติทำไมมาปฏิบัติก็มีตั้งแต่ ท่องบทกันอยู่อย่างนั้นนะ่ะคาถาอยู่ในคำทีนั้นคำทีนี้อามาโออวดหกเสียงกันขึ้นเวทีน้ําลายแตกประจานกันหมดหกเสียงกันได้ประโยชน์อะไรหกเสียงกับพิเลียรของตัวที่มันเป็นข้าศึกตาดตัวอยู่ภายในใจนี้ให้มันตัดถึงกันลงได้ที่นี่และอยู่ที่ไหนก็สมายตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่ชาวพุทธของเราจะควรสนใจทั้งประชาชนและ นักบวชคือผู้ปฏิบัติเพราะมีที่เรียกเหมือนกันอยากจะพ้นจากนี้อย่างน้อยก็ที่เรียกลังับลงไปเราก็ใจของเราไปรับความสุ ข, ขความขบายสมก็บอเราเป็นชาวพุทธพุทธะแปลว่ารู้ชาวพุทธชาวผู้รู้ลูกติตฐาคอร์ดดำเนินตามครูของเราอย่างนี้อ่ันนี้ได้แสดงทาตั้งแต่ต้น จนอาวาสานให้เจ้์ท่านผู้ปฏิบัติและท่านผู้ศษาสนีกัลปทั้งหลายฝั่งเชิงกรุณา น, น้มทำทั้งหลายที่แสดงธานีเข้าสู่ตนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายมรรคเครื่องป ห, หารทหารกิเลสให้น้อมเข้ามาสู่ตวงนตั ว, วนำไปทำประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเองเราจะมีความสุขความสบายทั้งในภพนี้และภพหน้า เราไม่ต้องสงสัยทำของพระเจ้าเป็นเครื่องส น, สนับสนุนคนให้ดีให้มีความเฉรียวฉลาดพันเหตุพันผลการแสดงธรรมก็เห็นว่าต้งควรจีเวลาขอทุกท่านในกรุณานนำปณิสีนาให้ประกอบพรเดชพระเดชแกตนแล้วคัมมาเอตัมมังค า, า, ามุตุตมังก็จะเป็นที่มงคลแก่เราทั้งหลายเองยึงขอที่จีจางเท่านี้